นโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสกาเลนะธรมมะสวนังเอตัมมังขลมุตตะมันติ <c oughs> นั่งฟัง ส, สบายใจ อ, ย, อ ย, ย่อย่าหลับก็แล้วกันนะนั่งฟังสบายอย่าหลับนั่งภาวนาฟังได้ด้วยยิ่งดีมากมันเป็นการเตรียมเตรียมพร้อมสองสองชั้นอยากกำหนดบทไหนก็ตามบริกรรมภาวนาไปเลย พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไม่เสียความคารกฟังเทศด้วยนั่งภาวนาไปด้วยไม่เสียความคารกผลรายได้เข้าสู่ภาชนะภาชนะเดียวคือใจใจเราเป็นภาชนะที่จะพึงรองรับคุณธรรมคือคุณงามความดีเหล่านี้หากจิตไม่อยู่กับพุโทโธพุโทโธมันตกไปมันก็ตกไปอยู่กับเสียงเสียงเทศ ขยับจากเสียงเทศก็มาอยู่กับบทภาวนามันเป็นการเตรียมพร้อมสองชั้นทำให้จิตเราตั้งใจทำงานได้ได้อย่างดีเยี่ยม <c oughs> วันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเราพุทธบริษัท ชมรมขององค์กรเพศัตชกรรมเป็นชมรมองค์กรเพศัตย์จัดให้มีการอบรมธรรมะอย่างนี้เป็นประจาซึ่งพวกเราทั้งหลายไม่อิ่มพอในบุญบุญนี้เราจะอิ่มพอไม่ได้ค า, าว่าเศรษ ฐ, ฐกิจพอเพียงเศรษ ฐ, ฐกิจพอเพียง ท่านพูดถึงการได้มาซึ่งปัจจัยทั้ง4การใช้สอยปัจจัยทั้ง4การดูแลรักษาปัจจัยทั้ง4ให้เรามีเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนอย่างที่ในหลวงท่านพยายามปลูกฝังพวกเราแต่ธรรมะเนี่ยเราพยายามตักตวงได้มากเท่าไหร่ไม่มีคําว่าพอเพียงเอาให้เต็มที่เลยครูบาอาจารย์ที่ตั้งใจตั้งอกตั้งใจ ถือทำประพฤติธรรมปฏิบัติทำอย่างเต็มที่นะท่านเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยไม่งั้นไม่รู้เรื่องเรื่องอ่าเรื่องทำเราจะเข้าใจได้ยากเพียงศักที่ว่าทําไปอได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังก็ทําไปได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังก็ทําไปโอกาสที่เราจะเห็นโทษเห็นภัยที่เราจะพยายามหลีกเหตุเพื่อเกิดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะั้มันเห็นได้ยาก เพราะไ อ, ไอตัวที่มันเก่งที่สุดชลาที่สุดยิเลตันหาอาสวะในหัวใจของเราเราแทบไม่เห็นเงาของมันเลยแหละตามไม่รู้จักมันเลยไม่รู้เท่าทันมันเลยไม่ทันเหตุทันปัจจัยไม่เห็นเงามันเลยแหละทำให้ตั้งอกตั้งใจทาอย่างจริงจังและไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเราพยายามตั้งใจธรรมภาคปฏิบัติ เราตกจากภาคปฏิบัติไปมันก็อยู่ในภาคจริยธรรมเป็นเรื่องธรรมดาอย่าลืมว่าภาคจริยธรรมทั้งหลายมาธรรมะที่มากํำกับกับกายเกี่ยวกับวาจาเกี่ยวกับความประพฤติอ่อนน้อมถม่อมตนมีเมตตาการุณาทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นหลักจริยธรรมที่เราใช้กันพื้นๆในสังคมของเราเนี่ย มันไปจากต้นต่อของหลักปฏิบัตินี้เอง <c oughs> ถ้าหาเราศึกษาอยู่แค่หลักจริย ธ, ธรรมเราไม่เคยสอดสองลึกเข้าไปข้างในถึงข้อปฏิบัติอย่างแท้จริงมันทําให้เราเข้าใจอย่างผิวเผินข้างนอกเท่านั้นเองแต่พุทธเจ้าท่านสอนธรรมะละเอียดลึกซึ้งเข้าไปเราไม่ต้องเอาอะไรมากเราแค่หลักธรรมะ ท, ที่ในหลวงท่านเอามาสอนพวกเราเนี่ยอ่า สัจจะธรรมขันติจาค่ะเนี่ยสัจจะธรรมขันติจาคะท่านสอนให้พวกเราพุทธมามกะทั้งหลายพยายามถือธรรมะเหล่านี้ให้ประหนึ่งเหมือนกับสัตว์อยู่ป่ากข้ อ, อก็แล้วกันในใจของเราถ้าเผื่อเราเปิดใจแสดงกิริยากับพฤติกรรมใดๆก็ตามด้วยกายด้วยวญญาจาด้วยใจก็ตามสัจจะธรรมขันติจาคะ ควรจะเปรียบประหนึง่งเหมือนสัตว์อยู่ปากคอกถ้าเราเคยเห็นสัตว์ที่มันอยู่ปากคอกนะพอเวลาเจ้าของเปิดปั๊บเนี่ยสัตว์ที่อยู่ปากคอกปุ๊บออกก่อนไปแล้วปุ๊บออกก่อนไปแล้วถ้าเราตั้งสัจจะธระมขันติจาคะะทั้งสี่ข้อนี้กำกับกิริยากายวาจาใจของเราเนี่ยอันนี้คือเป็นคุณธรรมที่มากำกับควบคุมลักจริยธรรมของเราได้อย่าง แข็งแรงมั่นคงสัจจะสัจจะสัจจะก็คือความสัต์จริงมันแผลงได้มาเป็นสัตตยาสัตยะคือสัตจซื่อสัต์ซื่อมันก็เป็นหลักสัตยะความเป็นอยู่ในสังคมนี้เราจําเป็นจะต้องอาศัยความซื่อสัตต์ต่อกันและกันเพราะความตรงไปตรงมานั่นคือความซื่อสัตย์เห็นยังไงพูดอย่างงั้น รู้ยังไงทําอย่างงั้นได้ยินได้ฟังยังไงก็พูดอย่างนั้ น, อ, อ, น, นอะไรคือกดคือระเบียบตรงไปตรงมาอย่างนี้อย่างนี้เราก็ทําตัวแสดงความตรงไปตรงมาอย่างนี้อย่างนี้คือความซื่อสัตย์คือความสุส anz, มสจริตที่เรียกว่าตรงไปตรงมาไม่บิดไม่มีบิดไม่มีเบีย้ยวไม่มีคดไม่มีงอนี่รียกว่าซื่อสัตย์พวกเราที่เราเกาะกลุ่มกันอยู่ได้เพราะว่าความมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน ยิ่งในสังคมนักธุรกิจด้วยแล้วเนี่ยถ้าเราจับได้ว่ า, ากลุ่ม ง, งานที่เราทําอยู่ด้วยกั น, เน่เราจับได้ว่ า, าไม่มีความสั่งซื่อต่อกันและกันแม้แต่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละใจเค่อยจะเริ่มแตกกันแล้วอเราจะเห็นว่าบริษัทใหญ่เล็กทั้งหลายทั้งปวงที่มันล้มละลายไปมากต่อมากเนี่ย mm. ก็เพราะว่าความขาดความสั่งซื่อต่อกันและกันนี่มีความจำเป็นอันนี้คือหลักจริยธรรมนะ หลักจริยธรรมเหล่านี้มันก็มาจากหลักสัจจะลึกๆเข้าไปที่ท่านพูดถึงสัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมก็คือหลักธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีที่เราเห็นที่เราได้ยินได้ฟังมาตลอดหลักสัจธรรมเหล่านี้ก็คือภาวะของทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะที่มันพึงมีพึงเป็น เพราวะว่ใดมียังไงเป็นยังไงมีความจริงมีข้อเท็จจริงยังไงภาวะนั้นก็คือมีอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านเอาหลักที่ละเอียดลึกซึ่งเป็นหลักต้นต่อของหลักจริยธรรมแท้ๆลึกเข้าไปในหัวใจของเราท่านเรียกว่าสัจจะสัจจะคือความจริงความจริงโดยหลักธรรมชาติความจริงโดยหลักธรรมชาติา โ, ดาตโดยสรุปหัวข้อใหญ่ก็คืออนิจจังทุกขังนัตตา อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนั้นคือหลักภาวะของลักษณะที่มันมีประจำอยู่กับกองสังขารนี่เาเรียกว่าสัจจะสัจจะสัจจะอย่างอื่นแล้วพยายามดูไปสัจจะของพระอาทิตย์ของพระจันทร์ของแดดของลมของดินของน้ำของไฟของอะไรก็แล้วแต่เราพยายามดูสัจจะคือความจริงของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนี้คือข้อเท็จจริงของมัน แต่สัจจะที่พระรุจิย่าท่านทรงแสดงนี้น้อมมาเพื่อให้เราศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจถึงหลักไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาพูดปุบพับพถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแหมเข้าใจยากเหลือเกินเราเป็นชาวพุทธเราทิ้งคำศาสนาเราทิ้งหลักศัพท์ของศาสนาเราทิ้งไม่ได้ เราไปพูดแต่คําผิวเผินอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าหากเราทิ้งหลักหลักเหล่านี้เป็นหลักของศาสนาพอเราพูดถึงอนิจจังพับกระเทือนมาที่ใจของเราทุกขังพับกระเทือนมาที่ใจของเราอนั้ตาพับกระเทือนมาที่ใจของเราพระพุทธเจ้าท่านทรงยกกองสังขารยกกองสังขารมาสอนพวกเราสังขารคือสิ่งที่ปรุงสิ่งที่ประกอบ สิ่งใดก็ตามตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาประกอบกันถ้าเรียกว่าสังขารสิ่งปรุงสิ่งประกอบสังขารที่มีใจครองเช่นอย่างอัตภาพร่างกายของเรานี่เป็นสังขารที่มีใจครองเป็นชีวิตที่มีใจครองเป็นชีวิตที่มีวิญญาณครอง สังขารที่อยู่รอบข้างตัวเราเ ป, เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นห้องเป็นหับเป็นพื้นเป็นอะไรก็ตามที่อยู่รอบข้างตัวเราเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองทั้งสังขารที่มีใจครองทั้งสังขารที่ไม่มีใจครองตกอยู่ในภาวะของความไม่คงที่ความไม่คงทนความไม่คงทนต้องเปลี่ยนไป ความไม่คงทนนั Sag, ้นเป็นทุกขังความเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเราดูให้เห็นง่ายๆอย่างนี้และความความไม่คงทนเนี่ยมันเป็นหลักธรรมชาติใครไปกะไปเกณฑ์ให้เป็นเป็นไปตามใจหวังก็ไม่ได้ความเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังมันก็เป็นหลักธรรมชาติใครไปกะไปเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังก็ไม่ได้แต่ตันหาในใจของเราน่ยมันชอบกะเกณฑ์ กะเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองเพราะเหตุนั้นเราจึงได้รับความทุกข์อยู่เนืองเนืองเกิดขึ้นจากความผิดหวังเพราะมันไม่สมหวังเราหวังว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปตามใจหวังของเราหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นไปตามใจหวังของเราพอมันไม่เป็นไปตามใจหวังของเราเราก็ทุกข์เราไม่กะเกณฑ์ให้เปลี่นไปตามใจหวังของเราเพราะในใจของเรานั้นมีตัณหา ตันหาความอยากร่างกายเราต้องเปลี่ยนไปอยากของที่ไม่อยากเปลี่ยนไปอยากนิจจังอยากสุขขังอยากมีความสุขอยากของที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายความปรารถนาของใจที่มีตันหานั้นปรารถนาได้ แต่อัตภาพร่างกายจะเป็นไปตามความปรารถนาไหมไม่เป็นไปตามความปรารถนาเพราะมันคนละขั้วกันร่างกายเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาแท้ที่จริงร่างกายเนี่ยเป็นผลผลของใจก็จริงอยู่ด้วยเหตุที่เรามีใจและใจเรามีกิเลสใจเรามีตัณหาใจเราจึงเสาะแสวงหาโดยเฉพาะอัตภาพนี้เรามาเกิดในปัญจโวการ มีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณได้ทั้งรูปได้ทั้งนามนะได้ทั้งรูปได้ทั้งนามรูปก็คืออัตภาพร่างกายของเราหากเกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมที่ใจเรามีกิเลสแท้ที่จริงร่างกายเป็นผลผลของใจก็จริงอยู่แต่มันหมดหมดช่วงที่เขาไปเกี่ยวข้องกันเข้ามาเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่ เข้ามาเกี่ยวข้องกันตั้งแต่นูนเราไปปฏิสนธิในท้องแม่อาศัยตันหาในใจของพ่อกับตันหาในใจของแม่ประกอบการเจริญพันธุ์ทาให้เกิดก้อนสังขารก้อนหนึ่งไปอุบัติในท้องแม่เรากับกรรมไปด้วยกันไปจับจองในท้องแม่เนี่ยตอนนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันพอหลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เป็นรู ป, ปธรรม รูปธรรมที่เกิดในท้องแม่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเขาก็จะทํางานไปทําหน้าที่ของเขาร่างกายที่ไหนจะไปต า, ายจิตใจที่ไหนจะไปบังคับบัญชาได้บังคับบัญชาไม่ได้หากมันเป็นสิ่งสองสิ่งที่ไปประโยชเหมาะไปเกิดด้วยกันและเกี่ยวข้องกันความอยากคือตัณหาพวกเราทั้งหลายเป็นผลผลของตัณหาอย่างปฏิเสธไม่ได้ เราไปอุบัติในท้องแม่ได้ยังไงแต่ละตอนแต่ละท่านไปอุบัติในท้องแม่ไปอุบัติได้ยังไงไปอุบัติได้ก็เพราะว่าในใจของพ่อของแม่นั้นมีตัณหาในใจของเรานั้นมีตัณหายังแสวงหาที่เกิดไปอุบัติในท้องแม่ตามบุญตามกรรมของใครของเราตามบุญตามวาสนาของใครของเราที่ควรจะได้ที่จะพึงได้ หลังจากเขาไปประจบกันเกิดเป็นกองสังขารกองนั้นแล้วภาวะของตัณหาภายในใจของพ่อของแม่กับภาวะตัณหาภายในใจของเราที่ไปหาที่เกิดก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงในกายดวงนั้นแต่ใจก็ยังครองสังขารก้อนนั้นอยู่แต่รูปประสังขารรูปนั้นจะเป็นไปตามภาวะของเขาเองเพราะภาวะของสังขารก้อนนั้น ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟที่พระุทธเจ้าท่านทรงแยกให้พวกเราได้ไดรู้จักเราไปบัิในท้องแม่ที่แรกเป็นน้ำใสๆพอไปประกอบกันปับ๊บเป็นก้อนสังขารก้อนหนึ่งแล้วสังขารของพ่อดินน้าลมไฟของพ่อดินน้ำลมไฟของแม่ไปประกอบกันเป็นกองสังขารอีกกองหนึ่งขึ้นมาเป็นน้ำหยดเดียวน้าใสๆมองแทบไม่เห็นล เสร็แล้วน้ำก้อนนั้นเป็นก้อนสังขารไม่เคยคงทนไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่เคยอยู่เท่าเดิมแม้ขณะจิตเดียวเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากน้ำใส Lan ๆมาเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ำล้างเลือดมันเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อขยับขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยในขณะเดียวกันดูซึมซับเอาสิ่งที่อยู่รอบข้างามามาเป็นตัว Samuel, ปรุงเป็นตัวแต่ง เราจะเราจะเทียบก็คือดูเลือดเนื้อจากแม่นั่นแหละมาปรุงมาแต่งมาเลี้ยงของสังขารกองนะั้นใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สมสัปดาห์สองเดือนสามเดือนเจ็เดือนแปดเดือนเกเดือนจนครบอวัยวะสามสิบสองน่ยมีปัญจาสาขามีหัวมีลําตัวมีแขนสองมีขาสองครบอวัยวะสามสสองประการคลอดออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิม ความไม่อยู่เท่าเดิมของก้อนสังขารก้อนนี้แหละพระพุทธเจ้าสั่ทรงตรัสว่าทุกขังทุกขังความไม่อยู่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปโดยเหตุที่เปลี่ยนไปจึงเป็นอนิจจังเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาลักษณะเหล่านี้นี่คือลักษณะของสัจจ์ลักษณะของสัจจะรามเราพิจารณามาอย่างนี้ทําให้เราได้ข้อปฏิบัติไม่ใช่เป็นนิยายไม่ใช่เป็นวันคดีไม่ใช่เป็นอะไร ทำให้เราได้ข้อปฏิบัติมาที่กายของเรามาที่จิตของเราได้ข้อมาปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้รู้จักทําให้เกิดความเข้าใจว่าโอ้กองสังขารสังขารเมื่อมาปร ะ, ประกอบกันแล้วไม่เคยอยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปเป็นหลักของธรรมชาติเป็นสัจธรรมที่จะเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์าสามั ญ, ญลักษณะเป็นลักษณะที่มีอยู่ทั่วๆไปกับสังขาร จะเป็นสังขารที่มีใจครองก็ตามไม่มีใจครองก็ตามความเป็นไปของสังขารเหล่านี้จะมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ใครจะมีบุญวาสนาขนาดไหนแม้แต่ระดับเท่ากับพระพุทธเจ้าก็ตามไม่สามารถจะมาบังคับให้อยู่เท่าเดิมได้นะให้เป็นนิด จ, จังให้เป็นสุขขังบังคับให้อยู่เท่าเดิมบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติแต่ตัณหาในใจของเราตัณหาในใจของท่านของใครก็ตาม ชอบฝ่าฝืนหลักธรรมชาติเหล่านี้จึงไปกะเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองอยู่ร่ำไปอยากให้เป็นสุขขังอยากให้เป็นอัตตาแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าทานทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาเพราะด้วยเหตุที่บังคับให้อยู่เท่าเดิมไม่ได้บังคับไม่ให้เปลี่ยนไปให้เป็นสุขขังให้เป็นนิจจังก็บังคับไม่ได้ในเมื่อบังคับไม่ได้อืมควรจะเรียกว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา แต่ในใจของเรานั้นตันหามั น, นกระซิบกระซาบว่าเป็นอัตตาเป็นอัตตายึดเหลือเกินถือเหลือเกินเหมือนอย่างที่พวกเราออกมาจากท้องแม่เนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเรา เ, เป็นของของเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นของเราทั้งที่เราไม่เคยเอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่ไม่มีใครเอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่โดยเหตุที่จิตเข้าไปจับจองเฉยๆภาวะรูปเหล่านั้นเป็นภาวะที่เกิดจาก ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟของพ่อของแม่มาประกอบกันแท้ที่จริงคือสมบัติของพ่อของแม่แต่เราไปจับจองเราจะเห็นความลุ่มหลงขั้นแรกระดับแรกที่เราลุ่มหลงยึดเอาถือเอาลุ่มหลงไปจับจองในท้องแม่พอเราคลอดออกมายิ่งรู้เลี้ยงสาภาวะเท่าไหร่เท่าไหร่ยิ่งมีความยึดเท่านั้นถือเท่านั้นความยึดมีอยู่ในใจของเราความถือมีอยู่ในใจเรามีมาก เท่าไหร่อัตราตัวตนของเราเขามีมากเท่านั้นอัตราตัวตนมีอยู่ในใจของเรามากเท่าไหร่ความถือเนื้อถือตัวเขามีมากเท่านั้นถือว่าเราถือว่าถือว่าของของเราอ่าเรามีเกียรติเรามียศเรามีศักดิ์เรามี ส, เมสีเราฉลาดกว่าเราโง่กว่าเราชนะเราแพ้เรารวยเราจนเราสารพัดมาเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้คือการถือตัว มานะคือการถือตัวการถือตัวด้วยเหตุการถือตัวคําเดียวนี่แหละนําทุกขสารพัดมาให้กับจิตของเราเราไม่เคยเราไม่เคยย้อนเข้าไปเห็นนี่คือหลักต้นต่อดั้งเดิมที่แท้จริงเอาแค่กําเนิดความเป็นมนุษย์ของเราแต่เราจะมีพบชาติกี่กับกี่การมาไม่รู้กี่ชาติกี่แสงกี่ล้านชาติก็ตามเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นอะไรก็ตาม เกินเป็นภพชาติใดก็ตามเราไม่ต้องไปสงสัยในเมื่อเรามีอัตภาพอยู่ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องเป็นประจักษ์พยานแล้วนี่คือกองทุกข์สังขานี่คือนี่คือก้อนทุกข์้วยเหตุที่ทนอยู่ในในภาวะเดิมไม่เปลี่ยนไปทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเราดูแค่ว่าจากตั้งแต่เช้ามานี้เราลืมตาหลับตื่นลืมตามารับทานอาหารมาทํางานทําคัน ได้4ี่ชั่วโมง3มชั่วโมง4ี่ชั่วโมงอา้าวเราใส่เข้าไปเมื่อเช้านี่พอมาใกล้เที่ยงเราก็ใส่เข้าไปอีกแล้วใส่เข้าไปดูที่ไอ้ใส่เข้าไ ป, ไ เ, าไปเคยอยู่เท่าเดิมไหมไม่เคยอยู่เท่าเดิมพอใส่เข้าไปแล้วก้อนอัตภาพร่างกายของเราเป็นก้อนสังขารตัวนี้ไปบดไปย่อยไปขยี้ไปดูดไปซับไปซึมไปบ ร, บริหารบริหารทั้งขับทั้งย่อยทั้งทิ้งทั้งใช้ประโยชน์ ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมเป็นกองงานเป็นโรงงานกองหนึ่งเป็นกองงานกองหนึ่งแต่เราไม่ค่อยถนัดนักที่เราจะเรียกว่ากองทุกกองทุกเพราะเราเข้าใจได้ว่าทุกเจ็บทุกปวดทุกป่วยทุกไข้ยานั้นแก้โรคนั้นแก้เจ็บนั้นแก้ปวดนั้นยานี้แก้นี้ยานั้นแก้นั้นเราเห็นแต่ความเจ็บความปวดเราจรึงว่าทุกแท้ที่จริงภาวะที่มันเปลี่ยนไปไม่อยู่เท่าเดิมนี่เอง mm. ที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกขังทุกขังมันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจัง อ, อนิจจังก็คือความไม่คงทนมันเปลี่ยนไปนั่นเองท่านว่าทุกขังยังไงอนิจจังก็อย่างงั้นอนิจจังยังไงทุกขังก็อย่างงั้นอนิจจังทุกขังนี้ใครไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงภาวะธรรมชาติเหล่านี้ได้พุทธเจ้าท่านก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้หมอมีความสามารถแก้เจ็บแก้ป่วยปรุงยุกปรุงยารักษา โรภคภัยไข้เจ็บแค่บรรเทาแค่ชะลอความเจ็บความปวดความแก่แค่บรรเทาแค่ชะลอความตายแค่เราบรรเทาแค่ชะลอไม่สามารถจะแก้ได้ความเจ็บความแก่และก็ความตายไม่สามารถจะแก้ไขไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ด้วยเหตุที่เราเดัดแปลงมาได้อย่างนี้เราจะว่าเป็นเราได้อย่างไง ถ้าเป็นเราเราต้องบอกได้โดยเหตุที่ไม่ใช่เราเร า, เ, าเราจึงว่าอนัตตาอนัตตาคำว่าอนัตตาไม่ใช่แปลวา่าไม่มีอะไรนะคำว่าอนัตตาแปลวา่าเราต้องการให้เป็นไปตามใจหวังของเราไม่ได้เพราะใจของเรามันมีตัณหาตัณหานี่มันอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วมันเป็นไปตามใจหวังไหม ในเมื่อมันไม่ไม่เป็นไปตามใจหวังเราก็ทุกข์ต้องการสิ่งนู้นมาให้ถูกใจมันไม่ทันใจกระทุกต้องการสิ่งนี้ให้เป็นไปตามใจหวังมันไม่เป็นไปตามนั้นก็ทุกข์ต้องการสิ่งนู้นไม่ได้ตามใจกระทุกต้องการสิ่งนี้ไม่ได้ตามใจกระทุกต้องการให้ภาวะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ตามภาวะเป็นอย่างนั้นก็ทุกข์มีลูกอยู่ดีๆอยากให้เรียนดีๆอัตภาพร่างกายอยู่เย็นเป็นสุขสะดวกสบายดีๆวันคืนลงไป เจออุบัติเหตุเส็จแล้วทุกข์ใจอีกแล้วหวังให้ลูกอยู่ดบอยู่ดีมีสุขลูกอยู่ดิบดิบดีดีไปมาคลุกคลีกับหมู่กับเพื่อนกับพวกกับพร้องโอ๊ยลูกติดยาบ้าเสร็จแล้วตายแล้วทุกข์อีกแล้วผิดหวังเราแทบสรุปได้ว่าความทุกข์ในใจของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งเกิดขึ้นจากความผิดหวังทั้งนั้นตัณหาในใจของเราน่ะมันพายเราหวัง ตัณหามันพาให้เราหวังหวังอย่างนั้นหวังอย่างนี้แล้วคาดจะให้เปลี่ยนไปตามนั้นหาไม่เป็นไปตามนั้นก็ทุกไม่เปลี่นไปตามนั้นก็ทุกการตั้งใจปฏิบัติทำนั้นท่านให้ดูเรื่องจริงดูของจริงอคาดหวังอยู่แต่ก็ปลงแล้วก็ปล่อยไปเพราะภาวะที่มันจะผิดหวังมันมีอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนโลกก็ทำให้กับเราอ่ามีเออ อ ส, อสอนโล ก, กธรรมให้กับเร า, ามีสุขแล้วก็มีทุกข์มีนินทาแล้วก็มีสารเสื่อมมีสุขแล้วก็มีทุกข์มีนินทามีสารเสริญมีได้มาแล้วเหมือนจะเสียไปนี่คือโล ก, กธรรมคือพอได้มาอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องคิดว่าเอา้าสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนไป ได้มาเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนไปเวลานี้เรามีความสุขโอ้เดี๋ยวความทุกข์มันก็มันก็ตามมาระยะนี้เวลานี้เรามีความสมหวังเดี๋ยวความผิดหวังมันก็จะตามมาเดี๋ยวนี้เรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในครอบครองของเราเดี๋ยวมันก็จะหลุดมา้าหลุดมือเราไปอัตภาพร่างกายขาวผ่องอ้วนพีมีความสุขมีความเบาสบายรื่นเรืองเพ ล, ลิดเพลินอยู่ในหมู่ในฝูงในชนในสังคมสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไป สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราก็แก่เดี๋ยวเราก็เจ็บสักหนังหนึ่งเดี๋ยวเราก็ตายนอกจากตัวเราแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นผัวเราเป็นเมียเราเป็นลูกเราเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพวกเป็นพ้องของเราคนนั้นจะต้องแก่คนนั้นที่จะต้องเจ็บคนนั้นที่จะต้องตายเราพยายามทําใจว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้โดยที่เราไม่ได้คาดหวังจนเป็นเหตุให้เราต้องผิดหวังต้องได้รับกองทุกข์ เหล่านี้อยู่เนืองเนืองอันนี้คือสัจจะนะสัจจะส่วนละเอียดส่วนลึกไอ้สัจจะที่เรามาเป็นหลักจริยธรรมทั่วๆไปในความเป็นอยู่ในสังคมของเราอันนี้เป็นเรื่องผิวเผินพื้นพื้นแต่ถ้าเราเจาะลึกเข้าไปสู่ข้างในหลักจริยธรรมก็โผล่มาจากหลักสัจธรรมที่อยู่ลึกลข้างในนั่นแหละพุทธเจ้าท่านสอ น, นตัต้งแต่ตื้นตื้นลึกเข้าไปถึงข้างในจนไปถึงรากเง้าต้นต่ออะไรเป็นเหตุให้เกิดสังขาร ท่านตั้งเอาไว้ในหลักปฏปิจจสมุปบาทเราไปดูอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารความไม่รู้ภายเรายึดทุกสิ่งทุกอย่างอนั่งก็ยึดอันนี้ก็ยึดอันนัก็ยึดอันนี้ก็ยึดความยึดเข้ามานั่นแหละเป็นกองสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารสังขารที่เป็นรูปธรรมสังขารที่เป็นนามธรร ม, มสังขารที่เป็นรูปธรรมความ ท, ที่ที่ไปที่มาของมันเป็นยังไงอัตภาพร่างกายของเราที่ไปที่มาของมันเป็นยังไง ที่ไปที่มาของมันเราก็ดูไปนับตั้งแต่เราย้อนจากนี้ถอยหลังไปในท้องแม่ถอยไปถอยไปถอยไปย้อนไปในท้องแม่ย้อนไปจนถึงวาระแรกที่เราเป็นน้ําแค่น้าําใสๆอยู่ในท้องแม่ย้อนไปถึงนั้นแล้วก็ย้อนกลับคืนมาใถึงเวลาที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับไปนี่คือการสํารวจดูที่มาที่ไปของอัตภาพร่างกายของเราถ้าเราไม่สํารวจอย่างนี้เราก็หลงหลงกายของเรานี่แหละว่ากายของเราจะต้องเที่ยงจะต้องสุข จะต้องยั่งยืนจะต้องดีจะต้องเด่นจะต้องนุนจะต้องนี่หลงเคลิมอยู่ร่ำไปเราระลึกอย่างนี้ทำให้เรารู้ที่มาที่ไปของอัตภาพร่างกายของเราที่ไปที่มาของจิตของเรานมามธรรมของเราเป็นยังไงมาอย่างไรไปยังไงอันนี้เราก็ทราบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านกระทรงตรัสว่าอาวิชชาอาวิชชาเราทราบแต่ว่าเรามีจิตคนละดวงจิตหนึ่งเดียวมีจิตคนละหนึ่งดวง แต่ในหลักอภิธรรมนั้นท่านมาไปแยกแยะมากมายเยอะแยะอันนั้นล้ว น, วนเป็นกิริยาอาการของจิตโดยที่แท้จริงดั้งเดิมของจิตก็คือธาตุรู้ผู้รู้หนึ่งเดียวแต่ผู้รู้ของเรานี้อุบัติขึ้นมาไม่บริสุทธิ์มีอวิชชาตันหาปราทานปนเปื้อนมาด้วยมันปนมาได้ยังไงอวิชชาไม่รู้มันปนมาตั้งแต่กับการโปรดิชาไหน ไม่รู้เราไม่รู้แต่มันได้มาแล้วมันปนเปืเป้อนมาด้วยกันเอาเป็นว่าผู้รู้ของเราบัดมาปนเปื้อนสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยสิ่งที่เคลือบแฝงมาด้วยคืออวิชชาตันหาวปาทานมันเคลือบแฝงมาด้วยเราไม่รู้อยากมันเคลือบแฝ ง, งมาได้ยังไงมีใครคอยจัดคอยแบ่งคอยแบ่งสรรปันส่วนให้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไปที่อวิชชาอาวิชชาอาวิชชานี้เลยลายเป็น หลักปรัชญาชั้นเยี่ยมหลักปรัชยายังไงสมมุติเราตั้งใจจะภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธในขณะที่เรากาลังดำริอยู่พุโทโธพุโทโธพุโทโธเราพยายามดึงสติดึงสัมผััญญาเข้ามากำกับที่จิตของเราในช่วงในระหว่างที่จิตของเรามีสติมีสัมผชัญญาํำกับอยู่ จิตของเราสว่างรู้ตื่นโรูอยู่แต่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธตอนนั้นจิตของเราเป็นวิชชาไม่ใช่อวิชชานี่หรือหลักปรัชญาหนึ่งแต่ถ้าเราเผลอพับอวิชชามาครอบครอบพับเอาจิตของเราไปที่อื่นแล้วมนุษย์พุทโธหายไปตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่นี่สามารถทําให้เรามาพิสูจน์ทดสอบในหลักปัจจุบันได้ ถ้าหากเราตั้งใจทําใจให้ได้รับความสงบไม่ให้ตัญหามันเคลือบแฝงมาที่หัวใจของเราเราสามารถปลุกจิตคือผู้รู้ของเราให้ตื่นโโรอยู่ตลอดตอนนั้นจิตของเรามีแต่วิชามีแต่ความรู้มีแต่ความสว่างสวายไม่มีความมืดไม่มีความลุ่มหลงแต่ตราบใดที่เราหย่อนยานด้วยสติด้วยสัมปชัญญะสติของเราก็อ่อนจางไปวิริยะความภาะความเพียรความ ยกจิตขึ้นเาวเข้าสู่อารมณ์พระคัพปาครองอารมณ์ของเราให้จิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวมันย่อนลงไปอวิชฌำก็ครอบจิตเราพอครอบปั๊บมันก็ดึงดึงไปแล้วไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องปัญหาสารพัดที่จิตที่มันอยู่ในกระแสในวงจรของจิตมันดึงไปหมดมันดึงไปใช้งานมันดึงไปทํางานนี่คือเราไม่ทันมันไม่ทันอวิชฌำพอวิชฌำมาครอบปั๊บมันเอาไปแล้วพุทโธเราหายไปไหนแล้ว สักหน่อยหนึ่งขณะจิตหนึ่งเดียวอีกระ ล, ลึกได้โอ้ลืมไปแล้วคิดไปแล้วดึงไม่พุโทโธพุโทโธพุโทโธอีกเราพยายามทดสอบอยู่แค่นี้เราจะได้รู้จักว่าอวิชชานั้นล่ะเราสามารถดับได้เอาอะไรมาดับเอาสติธรรมเอาปัญญาธรรมเอาสมาธิธรรมเอาวิริยะธรรมขันติธรรมความอดความทนความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามกำหนดหยดจอ อยู่ในท่าทีที่เราตั้งอกตั้งใจบริกรรมอยู่ในท่าทีที่เราตั้งใจภาวนาเพราะฉะนั้นหลักอันนี้จึงเป็นหลักที่เจาะลึกเข้าไปถึงหลักสัจธรรมข้างในหลักสัจธรรมข้างในก็คือลึกไปถึงหัวใจอันนี้ความเป็นไปเปลี่ยนมาของนามธรรมา ท, ที่ไปที่มาของรูปธรรมเราก็รู้แล้วเราได้ธาตุดินน้ำลมไฟมาจากพ่อมาจากแม่ได้มาเพราะอานาจในใจของพ่อของแม่มีตัณหา เราไปจับจองเพราะในจิตของเรามีตัณหาไปจับจองตัณหาแปลว่าความอยากดูไปแล้วเหมือนอย่างลมๆแรงๆถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาดูที่จิตของเราถ้าเราย้อนมาดูที่จิตของเราเราจะเห็นเดียวนี้เลยตัณหาในใจของเราคือความอยากความริ่นรนความทะเยอทะยานของจิตของเรามันมีอํานาจมากมันมีพลังมากอยู่ในใจของเราเราพิจารณาวนเวียนอยู่ กับเรื่องเหล่านี้นี่เป็นแนวปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นการมารู้จักที่ไปที่มาของกายของเรารู้จักที่ไปที่มาของจิตของเรามันวนเวียนอยู่กันแค่นี้เราพิจารณารู้รูปธรรมของเราพิจารนารนามธรรมของเราประมาณดูพระพุทธเจ้าพระองค์อุบัติ ข, ขึ้นมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเหมือนกับพระองค์พยายามจะมาแยกทุกข์ทั้งหลายออกจากหัวใจของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทรงเสียสละสร้างบารามีประเภท ส, สอสงไขยแสนมหากับประเภท8อสงไขยแสนมหากับประเภทวิร yani ิยธิกะเนี่ยสิอสงไขยแสนมหากับคำว่าอสงไขยอสงไขยกับมหากับมหากรรคือระยะเวลาที่โน่นนานมากสร้างคุณงามความดีคอยได้คอยได้คอยรู้คอยรู้เสียสละทานบารมีอุปบารมีปรมัตเตบารมี ขอยได้ขอยได้ทานพื้นพื้นศีลพื้นพื้ น, นเนคขมะพื้นพื้นปัญญาพื้นพื้นจนถึงขั้นอุปบารมีจนถึงขั้นปรมัตาบารมีถ้าเป็นทานก็คือเสียสละชีวิตเป็นทานเนี่ยตายช่าเถอะใจตายช่าเถอะคอยรู้ขอยรู้คอยรู้คอยเข้าใจขอให้ได้หลักวิชาการนี้มาพาสัตว์ทั้งหลายพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไปได้เสียสละ เวลาจะเนิ่นนานมากเท่าไหรก็ตามยอมรับยอมรับขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ไ ด, ใได้ใจต้องเป็นหนึ่งเดียวไม่มีเปลี่ยนใจแข็งยิ่งกว่าเพชรผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นผู้ที่เจ้าจะรับพระองค์แต่ละพระองค์ใจเด็ดยิ่งกว่าเพชรแต่ถ้าหากเราไม่เด็ดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเหมือนอย่างเขาพูดถึงตอนที่พระพุทธเจ้าท่านลงจากเทวโลกนั่นแนหะไปโปรดอไปเทศอภิธรรมโปรดโยมมารดาบนเทวโลกพอออกพรราก็เสเด็จลงมาเนะนะี่ะ บรรดาลให้เกิดความอัศจรรย์ตอนที่พระองค์เสด็จลงมาทําให้โลกโลกกระทะทั้งสามนี่มองเห็นกันมนุษย์มองเห็นเทวดามองเห็นสันนโรสันนรกมองเห็นเทวดามองเห็นมนุษย์เทวดามองเห็นมนุษย์มองเห็นสันนรกมองเห็นกันหมดเลยเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าต่างคนต่างอยากเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าอยากปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่มันก็เท่ากับขนโคกับเขาโค โคเป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวม่รู้ขนมันมีมากเท่าไหร่บางทีอาจจะเท่าแค่สองเขาเท่านั้นแหละอืมตั้งใจปรารถนามากมายขนาดไหนก็ตามแต่จิตใจมันไม่กล้าแข็งพอพอที่จะได้เข้าไปจดสั้รู้รู้เห็นอัตธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้เมื่อพระองค์ได้ตั้งปณิธานบําเพ็ญบุญญาบารมีมาจนเต็มเปี่ยมแล้วเรามาดูพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ไปเรียนกับ 阿拉ระดาบทได้สมาบัตเจ็ดอุทกดาบทได้สมาบัตแปดคำว่าสมาบัติสมาบัตเนี่ยคือความละเอียดความสงบของจิตละเอียดลึกซึ้งมากมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญามดำดินบินบนได้แต่ฤาษีในสมัยนั้นท่านถืออัตตาอัตตาศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าอัตตาอัตตาอัตตมันอัตมันอัตตาถืออัตตาถือตัวตนนะถ้า ไม่มีตัว ต, วตวแวออนแล้วจะเอาอะไรมาสุขสมบัติทั้งแปดนั่นอะเวลาเข้าไปแล้วจะมีความสุขมากถ้าถ้าไม่มีผู้เสีบสุขจะเอาอะไรมาสมไว้สุขเขาคิดอย่างนั้นถ้าไม่มีผู้เสีบสุขแล้วจะเอาอะไรมาสมไว้สุขเพราะฉะนั้นจึงเป็นาศาสนาแห่งอัตต า, าศาสนาพุทธของเราพระเจ้าของเราไปอุบัติธรรมกลางอัตตาเป็นอนัตตา ถ้าเป็นเราจริงๆเราต้องบอกได้ว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายลหติตที่เราบอกไม่ได้ไม่ใช่อัตตาต้องเป็นอนัตตานี่คือศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจา้าของเราเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์มาพิจารณาถึงตรง น, นั้นแล้วเนี่ท่านเเรียนกับ阿าระดาบทอุตกระดาบทจบภายในระยะเวลาที่สั้นอาจารย์บอกว่าจบแล้วความรู้เธอเรียนเอาไปจบหมดแล้ว แต่พระองค์ดูความทุกข์ในพระทัยของพระองค์ เ, เต็มแปร่อยู่ทุกห่วงวิตกกองวนห่วงใ ย, ยสรรพัแ้น่าจะไม่ใช่ทำไมกองทุกข์ยังเต็มแปร่อ ย, อยู่ในหัวใจของเราพระองค์จึงมาขวนขวายด้วยน้ำพักน้ำแรงของพระองค์เองเห็นไหมมาทรมานแบบอัจิริมัทธนุยโยเอยอะไรตอลาเอ๋ยสรรพัดอย่างที่เราทราบก็คือพระองค์มาทรมาน อ, อดพระกาห า, านี้ สวยเต็มอิ่มแลักรลดไปเรื่อยทีละคำทีละคำทีละคำเหลือหนึ่งคำลดจากหนึ่งคำไปลดไปลดไ ป, ดไปดจนเหลือหนึ่งเม็ดเราคิดดูสิถึงอัตตราภาพร่างกายกว่าจะถึงหนึ่งเม็ดนี่อัตตราภาพร่างกายมันบอบช้ําขนาดไหนนี่หมายถึงอดอาหารจากนั้นแล้วก็ปรงองกัะฟันด้วยฟันที่เรียกว่ากดพระทนด้วยพระทนะกดพระตาลุกด้วยพระศิวหาเอาลิ้นกดเพ ด, ดาน กลั้นลมหายใจไม่ให้ลมหายใจออกทั้งปากไม่ให้ลมหายใจออกทั้งจมูกลมมันไม่มีทางออกมันก็ออกทางหูอู้เสียดไปทางหมดทั้งพระอุทธรร้อนพระวรกายเราร้อนไอ้พระวรกายนี่คืออัตกรมันานโยกทรมานตนเหน็ดเหนื่อยเปล่าด้วยวิธีนี้กับความต้องการในพระทัยของพระองค์เนะ่ยมันสวนทางกัน ต้องการให้ใจของพระองค์เนี่ยรู้ธรรมเห็นธรรมแต่ในขณะเดียวกันมาทรมานกายเหตุปัจจัยมันต่อกันไม่ได้มันเหมือนหินหักต่อกันไม่ได้มันไม่เชื่อมโยงกันไม่มันไม่เชื่อมประสานกันต้องการผลทางด้านจิตใจแต่ไปทรมานกายเนี่ยไม่รู้มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเรามาพิจารณาดูอย่างนี้กันแล้วกัน เ, <อ>เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าทําให้ตายมันก็ ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเพราะมันไม่ใช่เหตุเพื่อให้เกิดเวลาพราะองค์มาแสดงธรรมจักรท่านจึงทรงแสดงไปที่การมศคุขขลิการนโยบประกอบตนภูวภายในกามเกี่ยวข้องกับกามบำรุงบำเรือด้วยกามอตตกลรมัฐานโยทำตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าอันหนึ่งหย่อนเกินไปอันหนึ่งตึงเกินไปถ้าเป็นเสียงพินก็เสียงไม่ไพเราะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทร ง, งแสดงทางสายกลางมัชีมาปฏิปทา ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาซึ่งเราสรุปมาแล้วประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญามัชฌิมาปฏิปทานนี่เองเราตั้งอกตั้งใจทําจนตายท่านก็ไม่ถือว่าเคร่งเกินไปถ้าหาไม่ถึงขั้นนั้นโอกาสที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะเข้าใจนี่ยากครูบาอาจารย์เราแต่และองค์แต่และองค์ที่จะได้อัดธรรมมสอนเนี่ยเดินตายมาทั้งนั้นทําไมจึงว่าเด่นตาย เราไปทํำยอนยานให้กับมันน่ยมันไม่ได้อถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนกั้สีไฟไฟใกล้จะติดอยู่แล้วเนี่ยหยุดสีไปสีไปความร้อนพอใกล้จะติดอยู่แล้วแทนที่เราจะขยับไปให้ติดหยุดน่เพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่ยพยายามขยับจะให้ไฟติดตรงนั้นแหละน่ะคอยติดคอยติดคอยติดคอยได้คอยได้ตายช่างมันตายช่งมันคอยได้คอยได้นี่แหละท่านถือว่าแต่ละองค์แต่ละท่านที่ท่านได้มาเนี่ยท่านเดินตายมาทั้งนั้น ท่านเดืนมาตายมาทั้งนั้นลองไปขัดสีไฟจะให้จะให้ไฟออกเป็นเปลวไฟได้ไฟใช้เอาไม้สองสอชิ้นมาเสียดสีกันให้เกิดไฟเสียดสีไปเสียดสีไปการเสียดสีทําให้เกิดความร้อนนี่อันนี้เป็นพระพุทธเจ้าท่านอามาอุกมานะเสียดสีไปเสียดสีไปเสียดสีไปไม่หยุดสัญลักษณ์ไฟปรากฏให้เห็นมีควันปรากฏมีฐานดำๆปรากฏมี่านแดงๆปรากฏ ปรากฏขนาดนั้นแล้วก็ตามลองประยุดหยุดมันก็เย็นไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านกลัวมันจะเย็นไปด้วยเหตุที่ประสบการณ์ซ้ํำซากพอมาถึงตรงนี้แล้วท่านขยับเอาไปเอาตายใส่เขาไปตายท่งนไปไม่ได้ตายไม่ตายไม่ได้ให้ตายไม่ตายได้ไม่ได้ให้ตายไม่ตายให้ได้ขยับจนฟุบติดไฟเป็นเปลวไฟได้ไฟใช้ หมายความว่าเราตั้งใจเจริญสมาธิเจริญปัญญาขยายไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนอย่างต่อเนื่องจนเกิดปัญญายานจนเกิดวิปัสสนาญาณเกิดปัญญายาณเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาทีไรเมื่อไหร่ถ้าเราจะเทียบกันเหมือนกับว่าได้เปลวไฟใช้อัตธรรมที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่กำเริบไม่ใช่คัดค้านดาวๆแล้วก็ยึดเอา ค า, าดคาดลับดแล้วก็ยึดเอาไม่มีข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในตัวของตัวเองอันนี้คือการตั้ง อ, อกตั้งใจบําเพ็ญพระพุทธเจ้าท่านท่านมาพิจารณาอย่างนี้แหละโดยเหตุที่ว่าความสุขในรูปปัสมะบัติความสุขในอรู ป, ปรสมาบัติก็ตามอถ้าโมเดอเอาอัตตาตัวตนไปยึดว่าเราสุขเราสุขเราสุขเราสุข มนสุดหาทางออกไม่ได้พร ะ, ะพุทธเจ้าจึงจึงทร ง, ง, งตรัสรู้อนัตตานัตตาจะเป็นเราไปไม่ได้มันจะต้องเป็นอนัตตานัตตาพระองค์ก็ปรงปล่อยพิจารณาอะไรก็ปรงปล่อยปล่อยจากอัตตาไม่มีอัตตาไม่มีตัวนว่างจากอัตตาทั้งหมดในพระไพยในใจของพระองค์เมื่อพระองค์ปรองปลองปล่อยได้หมดพระองค์สามารถเข้าถึงประมังสุ ข, ขังม ร, รุธธรรมได้ เรา ม, มาดูในวันเพ็ญเดือนหกที่พระพุทธเจ้าทรงต่อสู้ตั้งแต่ปฐมยามมัชชิมยามและวปัดฉิมยามยามสุดท้ายแห่งราตรีคืนนั้นนะทำให้พระองค์ได้ยานทัสน์นโดยลําดับนะับตั้งแต่จุดูปปัจจัยยานปุเพนิวาสานุสติยานจุดูปปัจจัยยานในทํนทนทนนากลางบั้นปลายสุดท้ายพระองค์ได้อาสวรรขย้ายานโดยเหตุที่หมุนอยู่กั บ, ก บ, กบเหตุกับผลนี่แหละ หมุนไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปภายในพระชัยของพระองค์จิตหนึ่งเดียวไม่ได้คิดออกนอกรูนอกทางไปไหนเพราะจิตสงบสงัดแนบแน่นมัน่นคงไม่หิวไม่หยไม่อะไรเหมือนจิตพวกเราเอามาทาํางานยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละเอามากํากับอยู่กับอะไรก็อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีทําให้พระองค์ได้บรรลุอาสะวะขยายานรู้ว่าอาสะวะกิเลสทั้งหลายที่อยู่ภายในของพระภายในพระชัะะะะยของพระองค์เหือดแห้งหมดไปจากขันธสันดาน ย้อนมาดูว่างโล่งไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่อพอใจเป็นเฮพระองค์ในตรัสปฐมมาภาสี น, นะนะโอ้ยเห็นตัณหาทั้งหลายทําพบชาติให้พระองค์กี่พบกี่ชาติกี่กัาพีกันมาม่ตอนนี้เห็นหน้าเห็นตามันหมดแล้วตัณหาเหล่านะั้นไม่สามารถจะสร้างพบสร้างชาติให้พระองค์ได้อีกแล้วไม่สามารถจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอะไรต่อะไรทําให้พระองค์ต้องไปอบัติที่นู่นที่นี่อีกแล้ว เป็นเหตุในพระองค์ในเย่อเย้อตันหานะตันหาคือความอยากในใจของเราเนี่เยเราน้อมมาที่ปัจจุบันเราจะเห็นตันหาในใจของเราตราบใดที่เราเจริญมหาสติอยู่กำลังจดจ่อพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกกําหนดจดจ่ออยู่มีสติตื่นรูอยู่ตันหาไม่เกิดตราบใดมันอ่อนมันจางลงไปกําลังมันอ่อนลงไปมันจางลงไปตันหาครอบพอครอบปั๊บยึดทันทีะ บาทีเกิดเวทนาเนี่ยยึดทันทีโอ้ปวดโอ้เราปวดเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราความรู้สึกว่าเป็นเราคือแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองเราพิจารณาแต่มันละเอียดนะมันละเอียดจนสามารถหลอกเราได้ทุกระยะทุกขณะเหมือนกันถ้าเราไม่อยู่ในท่าทีที่เราตั้งใจปฏิบัติเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางความรู้สึกว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเนี่ย เราพิจรารณาดูอย่างนี้เอาข้อเท็จจริงมาตั้งกําหนดจดจอ่อเจริญสติกําหนดพิจรารณาสติเอาสติของเราตื่นรูอยู่ดูไปเรเห็นจกักเทว่าเห็นได้ยินสักเทว่าได้ยินนะไม่ได้ยึดว่าดีไม่ได้ยึดว่าไม่ดีอปกติมันเห็นว่าดีแล้วมันก็ยึดเข้ามาเห็นว่าไม่ดีแล้วผลักออกไปสรุปแล้วก็คือพวกเราติดความรู้สึกติดรถในความรู้สึก ความรู้สึกอย่างหนึ่งติดใจชอบใจยึดเข้ามาความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่ชอบใจไม่ยินดีไม่พอใจผลักออกไปเป็นผลของเวทนาเกิดขึ้นจากการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปธรรมกับ น, นามธรรมนี่เองธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ถ้าหากเราตั้งใจศึกษาประพฤติธรรมปฏิบัติทันขัดเราอยู่ตรงนี้เราจะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจได้หลักอัดหลักทำภายในใจของเราไปเป็นข้อปฏิบัติ แต่มันฟังไม่สนุกเพราะมันไม่มีเรื่องนิทานประกอบแต่หาดมันมีข้ออัดข้อธรรมอยู่ในนั้นพร้อมที่จะจับไปถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงสัจจะธรรมขันติจาคะธรรมขันติจ า, ะาคะธรรมคือคือการข่มใจข่มเพื่ออะไรข่มเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีความสัต่์มีความซื่อข่มเพื่อให้จิตของเราเนี่ยต่อสู้พิษเพ่งถึงหลักของสัจจะ ธรรมะคือความข่มใจขันติคือความอดความทนทนอดทนสู้ทนพิสูจน์ทนทดสอบพิจารณาสัจจะพิจารณาซื่ออยู่ในความสัต์ความซื่ออยู่ในสัจจะพิจารณาแล้วก็ปร o n ปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล o n ปล่อยจาระคสัจธรรมะขันติจาระคาที่ในหลวงท่านเจ้าอามาสอนพวกเราอยู่เรื่อยๆแท้ที่จริงก็เป็นหลักคําสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าในหลวงท่านเป็นพุท ธ, ธมามกะ ท่านเป็นผู้แตกฉานในธรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์เอามาใช้นี้เป็นหลักธรรมทําให้เราไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจให้มีความพอดีพอดีมีมากก็ใช้พอดีพอดีมีน้อยก็ใช้พอดีพอดีใช้อย่างพอเพียงพอเพียงของความมีมากมันก็อย่างหนึ่งพอเพียงของความมีน้อยมันก็อย่างหนึ่งอืมครูบาอาจารย์ท่านเอาไปพูดเพิ่มเติมต่อผัวเดียวเมียเดียวนี่ก็พอเพียง อพออยู่พอกินอิ่มปากอิ่มท้องพอนุ่งพอห่มนี่พอเพียงอันไหนเหลือเฟือเอาไปจับจ่ายใช้สอยเอาไปเผื่อแผ่แจกจ่ายมีความยินดีตามได้มีความยินดีพอดีตามมีมีความยินดีพอ ด, ตมม ด, พอดีตามเป็นปัจจัยทั้งหลายที่เราจะพึงได้ตามได้ตามมีตามเป็น ด้วยด้วยด้วยความประหยัดนะด้วยความสันโดษสันโดษก็คือยินดีตามมีตามได้มักน้อยมักน้อยนมันเข้าข้างเศรษฐกิจพอเพียง แต่เศรษฐกิจพอเพียงที่องสองสงพูสรงตรานั้นทำให้เรารู้จักที่มาที่ไปเหตุปัจจัยที่เรามาเลี้ยงอัตภาพร่างกายของเรามีที่มายังไงแล้วมีที่ไปยังไงมีมากเท่าไหร่มีน้อยเท่าไหร่ใช้อย่างพอเพียงพอเพียงกับอัตภาพของเราพอเพียงกับครอบครัวของเราพอเพียงกับชุมชนของเราพอเพียงพอดีพอดีได้มามากก็ใช้พอดีพอดี ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ใช้ฝืดเครืองมีมากมายเอามาทับถมจริ้งไว้เฉยๆไม่เอามาใช้มาสอยนี่ก็ทําให้เกิดความฟุ่มเฟือยอแล้วก็ทําให้อัตภาพร่างกายของเราฝืดเครืองใช้แบบซุรุยซุร่ายถือว่าใช้อย่างฟุ่มเฟือยในหลวงเนี่ยท่านไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยดูที่ท่านเขียนดูที่ท่านใช้ยาใิฟันดูตัวอย่างที่พวกเราได้ยินได้ฟังมากมายที่ท่านเราคุณสมบัติของท่านมาให้เราได้ยินได้ฟังนั่น บางครั้งเราฟังเราดูเราได้ยินได้ฟังโอ้น้ําตาซึมน้ําตาร่วงท่านเป็นธรรมเป็นหลักให้กับพวกเราอย่างแท้จริงพวกเราเระลึกถึงคําสอนของพระองค์แล้วทําให้เราไม่ลืมตัวทําให้เรามีความพอดีพอดีมีความเพียงพ อ, อไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟืดเครืองมันเป็นหลักธรรมทั้งนั้นที่พระองค์เอามาสอนเพราะฉะนั้นธรรมะสี่อย่างนี้ถ้าหากเราพยายามจะตั้งเอาไว้ในใจของเราอะไรเกิดขึ้น วันคืนยืนเดินนั่งนอนอะไรพุดออกจากจิตของเราขอให้มีสิ่งเหล่านี้กำกับมีความกำหนดจดจ่อเกี่ยวกับสัจจ์เกี่ยวกับสัตยะสัตส์ตซื่อสัจจ์กับสัตยามันก็อันเดียวกันมาจากหลักอันเดียวกันจากนั้นและสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จตามหลักของสัจจ์เข้าไปรู้ไปเห็นตามหลักของสัจจ์เข้าไปสําเร็จประโยชน์บังคับให้จิตของเรามีความซื่อสัตย์ให้เล็ดรอด ลุล่วงไปได้ก็คือธรรมะรู้จักอดรู้จักข่มรู้จักอดก็คือขันติรู้จักข่มก็คือธรรมะข่มจิตของเราต้องข่มจิตของเราต้องอดทนความข่มน mm ั้นมันเป็นการสำรวมระวังจิตของเราต้องข่มต้องสำรวมต้องระวังการปฏิบัติธรรมต้องสำรวมต้องระวังดูแต่ท่านว่าสังวรประธานสังวรประธานระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานประธาน บาปเก่าที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วให้พยายามละบาปเก่าที่ยังไม่เกิดระวังไม่ให้เกิดบาปเก่าที่เกิดที่กุศลที่เกิดแล้วอ่าให้พยายามรักษาไว้กุศลที่ยังไม่เกิดพยายามทำให้เกิดบาปที่ยังไม่เกิดระวังไม่ให้มันเกิดบาปที่เกิดแล้วมีแล้วให้พยายามละสังวรประทานปานประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานเราทําข้อใดข้อหนึ่งได้ทั้งสี่ข้อเลย สังวรประธานอย่างเดียวเอามากำกับกับหลักการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติงานการทำนู้ทนทมนี้ทำอะไรทุกอย่างสังวรสัมรวมระมัดระวังมีสติมีสัมพัญญะกรรมนดจดจอ่อควบคุมอยู่มันได้ทั้งงานในปัจจุบันมันได้ทั้งงานในปัจจุบันมันได้ทั้งงานล่วงหน้าอนาคตมันได้ทั้งรูปธรรมมันได้ทั้งนามธรรมา มันได้ทั้งความเป็นอยู่พื้นพื้นมันได้ทั้งการถือทำประพฤติทำปฏิบัติธรรมชั้นละเอียดลึกเข้าไปถึงอัดถึงธทำถึงมากถึงผลมาสามารถเจริญรอยได้ไปอย่างนี้อืมอันนี้เราพูดถึงยกหัวข้อธรรมะที่ในหลวงท่านเอามามาสอนพวกเราบ่อยๆเกียย่ยวเรื่องสัจจะธรรมกันติจักขะให้มีอยู่ภายในใจของเราเราจะ เอาใจของเราไปใช้กับอะไรให้คหํานึงถึงสิ่งเหล่านี้เรื่อยอเรื่อยๆหนึ่งๆเราจะไม่ลืมตัวพูดถึงว่าเราสแสวงหาหลักสัจธรรมก็พิจารณาตามหลักความเป็นจริงที่เรามีอยู่ในจิตใจของเราในร่างกายของเราเราไม่จําเป็นจะต้องไปแตกฉานจบพระไตรปิฎกเราก็สามารถจะถือตามได้ประพฤติตามได้ปฏิบัติตามได้เพราะเราศึกษามาที่ของจริงที่เรามีอยู่เรามีกายเราลึกมาที่กายของเราเหมือนเรามีจิตราลึกมาที่จิตของเรา เพราะฉะนั้นท่านยิงสอนสุปลงมาที่หลักของมหาสิปบฐานมากำหนดจดจ่ออยู่ที่กายตามดูกายมากำหนดจดจ่อที่เวทนาตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมมีสถิมีสัมพชัญชนะ ก, กำกับควบคุมตามดูกายเวทนาจิตธรรมหรือเราจะเอาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมากำกับอยู่เวลาทำงาน มีสติกำ ก, กับกำหนดจดจ่ออยู่ถ้าเราไม่กำหนดจดจ่ออยู่ตัณหาสวมรอยเข้ามาเพราะตัณหามันพาดพิงมาที่กายพายุดกายมันพาดพิงมาที่เวทนาพายุดเวทนาเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาแท้ที่จริงเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นเองลองเรามีสติกำหนดตื่นรู้โรอยู่กระสักแต่ว่าเวทนาจริงๆไม่เอาเราเข้าไปใส่ไม่เอาคำว่าเราไม่เกิดความรู้สึกว่าเราเข้าไปใส่ เรานั่งเราเจ็บเราปวดเนี่ยนั่งทับความเจ็บความปวดนี่แหละลองกําหนดจดจอลองไปดูไม่เอาเราเข้าไปใส่เนี่ยเจ็บก็สักถ้าว่าเจ็บจริงๆปวดก็สักถ้าว่าปวดจริงๆไม่มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นอืทําความรู้ให้เท่ามันเอาพู้รู่งเราไปแช่อ ย, อยู่ท่ามกลางกองไฟที่ว่าเวทนาทุกเวทนาเร่าร้อนอยู่นั่น<ม>เห็นว่าเวทนาสักถ้าว่าเวทนาไม่ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเรา ถ้าเกิดความรู้สึกว่าเป็นราตรีไร้เมื่อไรโอ้ยความทุกข์ทับถมหอมกระน้ำมาต้องได้รื้อฟืน้นหรือบรรลังตอนนั้นเดียวน้ะขณะนั้นจิตของเราก็เช่นเดียวกันยึดจิตยึดกายยึดเวทนายึดจิตจิตก็ย้อนมาดูจิตศักดิทว่จิ ต, จ, ตจิตคือผู้รู้ศักดิ์ทว่ารู้แต่ตัณหามันแทรกเข้ามานั่นเองมันเอาจิตของเราไปสร้างพิษสร้างภัยทําให้เราได้รับความทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่เนืองๆไม่จบไม่สิ้น เสร็แล้วอารมณ์ที่ ล, ล่วงไปที่เราน้อมนึกอยู่ในภายในใจท่านเรียกว่าทำท ำ, ทำพิจราจรณารำเช่นอย่างเราพิจรารณาหลัก อ, อริยสัจทั้ง4นี้ก็เป็นการพิจารณาบทธรรมหลักอริยสัจสี่หลวงตาท่านสอนให้กำหนดทุกเลยย้อนไปดูสมุทัยกำหนดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุทัยเราเอาบทใดบทหนึ่งไปเจริญทําได้ทั้งนั้นแหละกําหนดทุกก็คือกําหนดดูกายของเราเนี่ยแล้วก็ย้อนไปดูสมุทัยกิต กำหนดดูกายแล้วก็ย้อนไปดูจิตกำหนดดูจิตแล้วก็ย้อนไปดูกายมันดูเหมือนกับเป็นการสํารวจตรวจตราดูเพราะถ้าหากเราไม่สํารวจตรวจตราดูสังขารที่เป็นเรื่องของสมุทรไทยมันแทรกเข้าไปตัณหามันแทรกเข้าไปมันแทรกเข้าไปแล้วมันไปยึดกายว่ากายเรากายของของเราประตูทำประตูแรกที่ท่านทลุทะลุทะ ล, ลวงไปได้ ท่านเข้าไปรู้เข้าไปเห็นข้อเท็จจริงตรงนี้ท่านจึงว่ากายสัจว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราละความยึดถือว่าเป็นกายเราเป็นกายของของเราที่เรียกว่าละสกายันติทิเราดูสิความนึกความคิดภายในจิตเราจะถึงตรงนี้ได้อย่างไงถ้าเราไม่พยายามย้อนมาที่จิตของเราจิตมันยึดยึดโดยหลักธรรมชาติยึดโดยอัตโนมัติของมัน ทุกคนอยากได้อยากดีอยากเป็นแต่ถ้าเราไม่เคยย้อนมาตรงนี้เมื่อไหรเราจะถึงเมื่อไหรเราจะได้เมื่อไหร่เราจะถึงเราหาจย้อนมาดูตรงนี้เราจะเริ่มมาเข้าใจงานตรงนี้เราจะได้รู้ว่าอะไรคือความนึกความคิดอะไรคือความยึดอะไรคือปัญหามันแสรกเข้ามาอะไรคือข้อปฏิบัติที่ทําที่เราพยายามชะล้างกํากับดูแลอยู่เกิดช้าเกิดเร็วเกิดมากเกิดน้อยเกิดเท่าไหร่เราะมันต้องมากํากับมาดูแลอยู่ตรงนี้ มันจึงจะมีหนทางพอที่เราจะเข้ามารู้เข้ามาเห็นเข้ามาเข้าใจได้ละความนึกคิดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเห็นที่ไปที่มาของมันร่างกายแต่ความยึดติดเกี่ยวกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นคุณธรรมละเอียดลึกเข้าไปอีกเบื้องแรกละสกายทิฐิละวิจิคิจฉาไม่ลังเลไม่สงสัยแล้วเพราะอันนี้เป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลเข้ามารู้เข้ามาเห็นตรงนี้แล้วนี่แหละเป็นหลักสัจธรรมอย่างแท้จริง ใครเข้ามารู้เข้ามาเห็นตรงนี้แล้วคนนั้นมีจะมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอิจระศรัทธาอิจฉาศรัทธาเป็นศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนทำไมจึงไม่คลอนแคลนเพราะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยสติด้วยปัญญาของเราแท้ๆไม่มีใครเข้าไปรู้แทนเราไม่มีใครเ ข, เข้าไปเห็นแทนเราเหมือนอย่างพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมจากพระอญญนยางโกณทันย์ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดบาบันคนแรกและสกาย ธ, ธิได้ ด้วยเห็นสภาวะของธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็ีนธรรมดายังกินจิสมุทัยธรร ม, มังสัม บ, บัญตะนิโรธาธรร ม, มังพระอัญญาโกณทัญญาได้เข้าไปเห็นกระแสะธรรมกระแสะธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เองโอ้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่อัตตาของเรามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นสภาวะธรร ม, ค ว, ม, ม, ค, วมความมีความเปลี่นของกายความมีความเปลี่ยนของของใจ มันมีความมีความเป็นของมันมันมีเหตุมีปัจจัยของมันพระพยายามศึกษาดูให้เกิดความรู้เกิดความเห็นเหตุของมันปัจจัยของมันแค่เรามาพิจารณาไล่ว่าความเป็นไปเปยนมาของกายของเราเนี่ยก็จะเป็นการมาเริ่มมารือ้อมาฟื้นดูอัตภาพร่างกายของเรามันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลของมันมันไม่ใช่เป็นไปเพราะการยึดถือของเราเวลามันมาประกอบกันเป็นกองรูปกองนี้แล้วมันเป็นไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมัน ไอ้ผู้อยากอยากให้เป็นเราอยากให้เป็นเราแล้วพยายามยึดพยายามถือพยายามหวงพยายามเห็นพยายามทะนุถนอมแต่ร่างกายมันก็เป็นร่างกายมันไม่ใช่เรามันเป็นไปตามภาวะความมีความเป็นของมันเพราะเหตุปัจจัยของมันกับเหตุปัจจัยของความอยากมันคนละอย่างกันมันต่อกันไม่ติดเรามาพิจารณาดูตรงนี้แล้วเราจะเห็นความโง่ของเราอีที่เราไปโง่อ้โง่ดักดานเออ่ไม่มี ไม่มีอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปอะไรเลยเยอะถือถูกศิ่ลิบทบังอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะพุทธเจ้าท่านริงว่าพวกเรานี่หมกอยู่ในโลกหมกอยู่ในโลกนะหมกอยู่ในโลกกินดีกับรูป ก, กับเสียงกับปริ่นกับรสกับสัมผัสไม่ได้เข้าไปรู้ข้อเท็จจริงอะไรเลยหมกอยู่ในโลกเหมือน ก, กบเหมือนเขียดหมกอยู่ในกองดินกองทรายกองขี้ตมูกี่โคลนหมกอยู่ตามใบไม้นะ สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสและเปรียบเสมือนคิดตองที่โคลนเปรียเสมือนใบมงใบไม้เพราะสิ่งเหล่านั้นแหละคือกามคุณพวกเราทั้งหลายติดข้องในกามะคุณโดนเห็นที่เราไม่เคยพิจารณานั่นแหละเราจรึงติดข้องตัณหามกระส่วมรอยเข้าไปกระพายยึดรูปยึดนุน้นยึดนี้ยึดอะไรต่ออะไรสารพัดทาให้เราลุ่มหลงอยู่ไม่จบไม่สิ้นกองทุกข์ทั้งหลายวัฏฏสงสารทั้งหลายก็ยืดยาวหมุนไปอย่างไม่จบไม่สิ้น วันต์สง ส, ส, สารเนี่พัฒนาไปยาไม่จดไม่จบไม่สิ้นไปเท่าไรกองทุกความทุกในหัวใจของเรามันก็พัฒนาไปยืดยาวมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราควรจะศึกษาธรรมระพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการหยุดเป็นการสงบเป็นการชะลอเป็นการยุดหยุดการอุบัติของกองกองสังขารกองนี้มาทําความรู้จักมาทําความรู้จักมาทําความารู้เท่าทันมัน แล้วก็เราก็จะพิจารณาแล้วก็ปล่อยได้พิจารณาแล้วก็ปรงได้พิจารณาแล้วก็ปล่อยได้พิจารณารู้รอบแล้วก er <m uch Victor> ็สามารถปรงได้พิจารณาแล้วก็ปล่อยได้เพราะเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนในหัวใจของเราวันนี้พวกเราทั้งหลายเสียสละเวลาเสียสละงานเสียสละการเสียสละโอกาสมาเพื่อประกอบอัตประโยชน์คุณงามความดีที่จะเข้าสู่หัวใจของเรานับว่าเป็นโอกาสนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เรา รบเราเร่งเราขวนขวายสร้างทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีผลมีอนิสงส์ในระดับเป็นอยู่พื้นพื้นแล้วก็เป็นไปในอัตภาพภายภาคหน้ามีความสำคัญระหว่างภบชาติของเราในเมื่อเราตั้งใจตั้งอกตั้งใจเจริญทำตามธรรมะของพระพุทธเจา้าไม่ทิ้งพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งเรามีพุโทโธติดจิตจิตใ จ, จเราด้วยแล้วเนี่ราไปไหนสว่างโร เวลาเราใกลาจะตายจิตใจของเราสว่างไม่มืดมืด ท, ทึบแล้วประโลกของเราไปไปสว่างไม่ใช่ไปมืดมืดแต่ถ้าหากไม่มีแล้วมีแต่อวิชชามาครอบคลุมปิดบังในหัวใจของเราพอเวลาดับชีพไวยชวนประโลกประโลกคือโลกข้างหน้านะมืดตึบไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วแหละเราทําอย่างนี้แลเรามีความหวงังมีความหวงังมีความสุขมีวิบากกรรมที่ส่งผลให้เราได้เกิดในสุคติ ไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นอินเป็นพรอมเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามบุญตามการที่เราจะเราสร้างเราทําแต่ถ้าไปในทางที่ต่ําไปสู่อาบายเราก็ไปสู่แต่ความทุกข์เราเข็ดลามในความทุกข์อยู่แล้วไปเจอแต่กองทุกข์เหล่านั้นก็แสดงว่าเราสร้างเหตุไม่หยุดไม่หย่อนความทุกข์เหล่านั้นจึงไปพบไปเจอไม่หยุดไม่หย่อนจึงขออํานวยอวยัยให้พรท่านทั้งหลายประสบความสุขความสมหวังในความเป็นอยู่ในอัตภาพร่างกาย ในความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และความที่จะตั้งใจปฏิบัติเพื่อความเป็นไปในประโลกอย่างมีความสุขมีความเจริญที่เรียกว่าสุกติสุก ต, ติแล้วก็ตั้งใจปรารถนาได้อัดได้ทำได้มรกิ์ได้ผลขอให้สมมักสมหมายด้วยกันทุกท่านทุกคนเอวังาา <laughs> อ่โอเป็นชั่วโมงเนี่ย คนรวยทำานพร้อมกัน <laughs>